วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทำมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่าง จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเองคือการมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ <c oughs> เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาและตัวของท่านเองว่ามีความสำคัญอย่างไรพระพุทธศาสนา ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อพวกเรานี้มีความสำคัญอย่างไรพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถยกตนเองให้อยู่เนือความทุกข์ต่างๆได้ สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถยุติวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเอามาแบ่งปันให้กับพวกเรา <c oughs> ผู้ที่ยังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อยู่ในกองทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิน้นถ้าพวกเรา ได้มีโอกาสได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่จะให้ความรู้แก่พวกเราพวกเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้ให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานและ จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆยนกว่าที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสาวุป ข, ของพระพุทธเจ้าที่จะคอยสอนคอยบอกวิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนแล้วลกเราจะไม่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราก็จะกำจัดความทุกข์แบบชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่เราคงทำกันมนาตลอดเราก็พยายามที่จะ คอยกำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยวิธีการที่เรารู้จักวิธีการกำจัดความทุกข์ของพวกเราที่เรารู้จักกันก็คือวิธีหาความสุขมาดับความทุกข์กันเวลาเรามีความไม่สบายใจมีความหุดหยิดมีความลำคานใจมีความเศร้าใจไม่รู้ว่าจะทำให้มันหายไปได้อย่างไร เราก็ใช้วิธีการไปหาความสุขทางโลกกระรมไปหาความสุขจากลาบยศสารเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัมันก็ทำให้ความทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนั้นหายไปชั่วคราวแต่หลังจากที่เราได้เสพได้ สัมผัสกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้วความสุขนั้นมันก็จะหมดไปเพราะมันเป็นความสุขชั่อกาวแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจมันก็ยังไม่มีวันหมดไปความทุกข์ของพวกเราก็เกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ ที่เราจะต้องคอยพบคอยเจออยู่เรื่อยๆมีเรื่องราวที่ <c oughs> ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมาคอยให้สัมผัสมาคอยให้กระทบอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แลวเวลาที่เจอกับเรื่องที่ไม่ถูกใจทำให้เกิดความสบายใจ <c oughs> ก็ไม่รู้วิธีที่จะหยุดมันได้อย่างไรอย่างถูกต้อง เราก็ใช้วิธีหลบมันไปหลบมันไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเจอมันอีกใจของเรานี้เจอกับเรื่องที่เราไม่ปรารถนากันอยู่เรื่อยๆพบกับบุคคลพบกับสิ่งต่างๆที่มีทั้งดีและไม่ดีที่ทำให้เราเกิดทั้งความสุขและเกิดทั้งความทุกข์ขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปกำหนดให้มันมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งที่สุขที่จเจริญมาให้กับเราเพราะนี่เป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเรามีอากาศที่แปรปรวนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แรงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นในลักษณะนี้แล้วเวลาที่เราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ชอบเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจกัน แล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจไม่สบายใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปได้อย่างถาวรนเราก็เพียงอาศัยการหาความสุขจากสิ่งอื่นๆมา <c oughs> มาแก้ไปชั่วครัง้งชั่วคราวไปหรือหาวิธีดลบหรือหลีกจาก เหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจบางทีเราอยู่ที่นี่เจอเหตุการณ์ไม่ดีเจออากาศไม่ดีเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอีกเหมือนกันเราก็ย้ายกลับมาที่นี่ใหม่ย้ายไปย้ายมากลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำอย่างนี้มาตลอดเวลาก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากการไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนานี่คือสถานภนาพของพวกเราเออพวกเรานี่ มีความปรารถนาที่อยากจะมีความสุขกันตลอดเวลาแต่ความสุขที่เราต้องการตลอดเวลานั้ น, น, นมันมกจะไม่เกิดกับเราความสุขที่เราได้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็วต้องเจอกับความทุกข์ความไม่สบายใจปรากฏขึ้นมาอีก สาเหตุเฉพาะว่าเราไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้ใจของเราไม่ทุกข์ไปกับมันเท่านั้นเองเราต้องมีเราต้องมาเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสัจุของพระพุทธเจ้าที่ รู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับสภาวะต่างๆที่มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็รู้จักวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อีกต่อไปเพราะถ้าตราบใดเรายังกลับมา เกิดแล้วก็จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่เรื่อยๆวิธีการที่จะทำให้เราไม่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือเราต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดภบไหนชาติไหนยุคไหนสมัยไหนเราก็จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยไป แล้วก็นอกจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วร่างกายที่เราได้มาในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันมันก็เป็นร่างกายที่มีความทุกข์ติดมาด้วยความทุกข์ที่ร่างกายมีติดมาด้วยก็คือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เองที่ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมาเกิดแล้ว ก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างแน่นอนและเวลาที่เจอกับความแก่ความเจ็บความตายใจก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันแต่ก็ไม่รู้วิธีที่จะทําใจอย่างไรไม่ให้ไม่ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายกัน มีผู้ที่รู้วิธีเหล่านี้รู้วิธีกำจัดความทุกข์เหล่านี้ได้อย่างแท้จริงและอย่างถาวรก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกรของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่รู้วิธีแก้ความทุกข์ของใจเวลาที่มาต้องมาเจอกับเหตุการณ์ต่าง ที่ไม่ปาถนากัน <c oughs> ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยสงสาวกแล้วจัดโลกอย่างพวกเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะกำจัดความทุกข์ของใจเราได้เลยทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักหรือบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบ แล้วก็ต้องทุกกับการที่ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆที่เราไม่ชอบแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะนี่คือโลกของของของความแปรปรวนของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน <Yeah. S 2> มีการเปลี่ยนแปลงไปจากดีไปเป็นไม่ดีจากไม่ดีกลับมาเป็นดี มีเหตุการณ์ที่ขึ้นนลงล ง, ลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันมีดั่สิ่งดีๆปรากฏขึ้นเพียงอย่างเดียว <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้กันว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ มีความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราอย่างไร <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่มีพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตใจของเราจะเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> จิตใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์มีความทุกข์สลับไปกับความสุข <Yeah. S 2> เวลามีความสุขมันก็ไม่มีปัญหาอะไร <Yeah. S 2> แต่เวลามีความทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่ ทรมานใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบอยากจะเจอแต่ก็หนีไม่ได้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่จะให้ความรู้กับเราผู้ที่จะสอนวิธีให้พวกเรานี้ <c oughs> มีแต่ความสุขอย่างเดียวท่ามกลาง ความไม่นแน่นอนของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เราสามารถที่จะฝึกใจทำใจของเรานี้ให้สงบให้มีความสุขท่กากลางกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งดีและไม่ดีได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรก ที่เป็นผู้ที่ได้ทรงรู้วิธีของการทำใจให้ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่ยังต้องอยู่ในโลกนี้อยู่ <Yeah. S 1> แล้วก็รู้จักวิธีที่จะหยุดการกลับมา เกิดแก่เจ็บตายในโลกในโลกนี้อย่างอย่างถาวรนเพราะโลกนี้ในสายตาของนักบวชอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวลกนี้โลกนี้มันเป็นเหมือนโลกของกองเป็นเหมือนกองไฟเป็นกองทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราสัมผัสรับรู้อยู่นี้ มันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้า ไปมีความอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปอยากให้มันไม่ดับมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ใจนี้มันเกิดจากความอยากของใจเองที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเส่อมเป็นธรรมดา <c oughs> <c oughs> เป็นอนัตตาไม่คือไม่ได้เป็นสมไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่มีใครเป็นผู้ <c oughs> สามารถที่จะครอบครองและและ กำหนดให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้อาจจะทำได้บ้างบางครั้งบางเวลาเท่านั้นบางเวลาเราก็ยังอาจจะสามารถควบคุมบังคับเหตุการณ์ต่างๆให้ให้ดีขึ้นก็ได้บางครั้งหรือถ้ามันเลวถ้ามันไม่ดีก็พยายามทำให้มันดีขึ้นก็มีก็พอทำได้ ในบางเรื่องบางครั้งบางเวลาแต่จะไม่สามารถทำได้ทุกครั้งไปไม่ช้าก็เร็วกฎของอนิจจังกฎของอนิตาอนาัตตานี้มันก็จะ <c oughs> ทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้มันก็จะต้องเป็นไปตามกฎตามกติกาของมัน ทางที่ดีที่สุดก็คือควรปรับใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะดีกว่าดีกว่าที่จะไปควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายของเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปอยู่เรื่อยๆไม่มีใครไปหยุด การเจริญเติบโตของร่างกายได้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะหยุดเพราะทุกคนอยากให้ร่างกายเจริญเติบโตกันเพราะทุกคนต้องอาศัยร่างกายนี้ <c oughs> เป็นเครื่องมือ <c oughs> ในการหาความสุขต่างๆแล้วเมื่อร่างกายเจริญเติบโตอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าถูกใจพอใจ ต้องการร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่มีความสามารถในการที่จะไปหาโลกธรรมมาเสกกันนั่นเองใจนี้ที่มาเกิดนี้มันมีร่างกายอันนี้ก็เพราะใจมีความอยากหาความสุขจากสิ่งสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเรียกว่าโลกธรรมสี่ประการด้วยกันคือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผทพะ ความสุขจากรูปเสียงกิน่นรถโธฏฐะเป็นสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนนี้มีความอยากมีความยินดีและการที่เราจะหาราบยศสารเสริญสุขได้เราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ที่มีสมรรถภาพในการที่จะทำให้เราไปหาราบยศสารเสริญสุขมาเสดได้นั่นเอง ดังนั้นเวลาที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีก็คือมีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลแบบําดับอันนี้ก็ไม่มีใครทุกข์เวลาเกิดมาแล้วเวลาร่างกายเจริญเติบโตนี้ไม่มีใครทุกข์กันเพราะเป็นสิ่งที่ใจทุกข์ของทุกพลที่มาเกิดนี้มีความความปรารถนามีความอยากให้มัให้ร่างกายเจริญเติบโต แล้วจะรู้สึกเสียด้วยซ้าว่าบางทีมันโตไม่ทันใจสมัยเป็นเด็กๆนี่กว่าจะโตขึ้นมาได้รู้สึกว่ามันใช้เวลานานเหลือเกินกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะได้ไปทำอะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำกันได้ตอนที่เราเป็นเด็กๆนี่เรายัางทำอะไรไม่ได้เต็มทีม่กับที่ผู้ใหญ่เขาทำกันดงั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆของชีวิต คือการเจริญเติบโตของร่างกายนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะใจชอบใจยินดีกับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่พอร่างกายได้เจริญเติบโตได้เฉขีดเต็มที่แล้วต่อไปร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่การถดถอยร่างกายก็จะเริ่มมีการเสื่อมลงไปตามสภาพตามธรรมชาติของร่างกาย ตามกฎของอนิจจังคือมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามพอร่างกายเข้าสู่ความเสื่อมสู่ความถดถอยในคุณคุณภาพในคุณในความสามารถที่จะําเนินอะไรต่างๆได้เหมือนที่เคยทำได้ตอนนั้นใจก็จะเริ่มมีความทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายแนละ้ว ร่างกายก็จะสร้างก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมามีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นมีความสามารถที่จะทำอะไรอย่างคล่องแคล่วว่องไวก็จะลดน้อยถดถอยลงไป <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้แหละที่เป็นสิ่งที่จิตใจของพวกเราที่มาเกิดนี้ไม่ชอบกันเพราะว่ามันเป็นการ ขัดขวางการตอบสนองความอยากของพวกเรานั่นเองอใจของพวกเรามีความอยากที่พาให้มาเกิดความอยากนี้ต้องการที่จะใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนี้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจแต่พอร่างกายมี <c oughs> มีปัญหาขึ้นมามีความเสื่อมขึ้นมา มีความชราภาพหรือบางครั้งบางคราวก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่สามารถที่จะสนอบตอบสนองความอยากของใจได้เวลานั้นทุกขังก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะทุกข์ไปกับความเสื่อมของร่างกายคือความจริงแล้วความเสื่อมของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นทุกขังสำหรับใจ ถ้าใจไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เสื่อมใจก็จะไม่มีความทุกข์กับมันความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่เสื่อมเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันไม่สบายเวลาที่มันไม่มีความสามารถที่จะตอบสนองการหาความอยากของใจได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ ตัดทะลุว่าความทุกข์ของใจนี้ก็เกิดมาจากความอยากของใจนี้ความอยากที่จะมีร่างกายเพราะว่าใจมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากการเส็รูปเสียงกลิ่นรสการจะเส็บรูปเสียงกลิ่นร ส, รส ก, นก็ต้องมีทรัพย์มีลาภมียศมีสรรเสริญเป็น เพื่องประกอบถ้ามีราบก็สามารถที่จะหาความสุขจากลูกเสียงกิริลดได้อย่างสะดวกง่ายได้ถ้ามียศก็ยิ่งก็จะมีอำนาจที่จะทำให้ทำอะไรต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นส่วนสรรเสริญนี่ก็เป็นความสุขเพราะทุกคนอยากจะให้ได้รับการสรรเสริญยนยอยกยอ่ย อ, ยองว่าเป็นคนเก่งคนดีคนฉลาด อันนี้เป็นธรรมชาติของตันหาความอยากที่ทำให้ใจต้องมามาเกิดมามีร่างกาย mm hmm. เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ตอบสนองความอยากต่างๆแต่ร่างกายก็มีเขตจํากัดสามารถตอบสนองความอยากของใจได้ในระดับหนึ่งแล้ววันเวลา เวลาหนึ่งใจมันก็จะเสื่อมลงร่างกายก็จะเสื่อมไปลงไปตามลําดับการจะตอบสนองความอยากของใจก็จะลดน้อยถอยลงไปเมื่อใจไม่ได้ทําตามความอยากความทุกใจต่างก็จะปรากฏขึ้นมาในใจความสุขที่คิดว่าจะได้จากการมาเกิดก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี่คือ <c oughs> ปัญหาของพวกเราทุกคน พวกเราที่มามีร่างกายกันนี้ก็เพราะว่าเรามีความอยากกันอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความอยากเหล่านี้ไม่ต้องมีใครสอนความอยากได้ลาบยศสะะเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่ต้องมีใครสอนบางทีอาจจะต้องมีคนคอยห้ามเสจะด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางทียังไม่ถึงเวลา หรือวิธีการหาความสุขอาจาจะเป็นวิธีที่ไม่สุขาะเป็นวิธีที่ไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเช่นการหาความสุขโดวยวิธีผิดกฎหมายหรือผิดศีลและธรรมด้วยการทำบาปทำกรรมความสุขที่เราได้มามันมีโทษตามมาถ้าทำผิดกฎหมาย ก็จะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษได้และถ้าทถ้าเป็นสิทธิผิดทางทางกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็จะมาจับไปลงโทษต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มาสถิตหรือที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะต้องไปรับผลบาป ที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่แสวงหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายโลกนี้ไม่ใช่มีแต่เพียงแต่โลกของมนุษย์เท่านั้นโลกยังมีมีอีกหลายโลกด้วยกันเป็นของของสัตว์ชนิดต่างๆที่ไม่มีไม่มีร่างกายโลกที่มีร่างกายก็มีอยู่สองโลกโล ก, ก็คือสองภพ พบของมนุษย์และพบของสัตว์เลี้ยลานที่มีร่างกายแต่ยังมีพบอื่นๆที่ไม่มีร่างกายแต่มีมีดวงวิญญาณเป็นที่เรียกว่าเป็นร่างทิพย์หรือกายทิพย์ mm. ก็คือใจของพวกเหล่านี้แหละใจของพวกเราผู้รู้ผู้คิดนี้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจเราก็จะเปลี่ยนเป็นเรียกว่าดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณหรือกายทิพย์กายทิพย์นี้ก็เป็นกายที่มีหลายชนิดชนิดที่มีมีสภาพที่ย่าแย่คือมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจกับกายทิพย์ที่มีแต่ความสุขความสบายใจกายทิพย์ที่มีความสุขสบายใจก็เป็น ผลที่เกิดจากการทำความดีต่างๆทำบุญทำกุศลต่างๆส่วนกายที์ที่มีความย่ำแย่มีแต่ความเศร้าความทุกข์ความเครียดความหิวโหวยความหวาดกลัวอะไรต่างๆอันนี้เกิดจากการไปทำบาปมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจหรือกายทิพย์นี้ อยู่ต่อแต่จะอยู่ในสภาพไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่แสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ <c oughs> ถ้าผลลัพธ์คือถ้าบาปได้ได้ทำบาปไว้มากกว่าบุญถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ <c oughs> บาปก็จะ ดึงให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในสีกของทุกขติิีกที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายความเศร้าความเครียดความกลัวความอะไรต่างๆอันนี้เป็นผลของการกระทำบาปท่ทานก็แบ่งไว้เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเช่นเปรตเปรตก็เป็นดวงวิญญาณชนิดที่หิวโหวยเพราะว่าในขณะที่เป็นมนุษย์นี้ ชอบทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆแต่ทำมหากินโดยวิธีสุดจริตแล้วได้ไม่มากก็เลยใช้วิธีทุจริตใช้วิธีทำบาปทำการมโกหกหลอกลวง ช, อช่อฉนลักทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือสิ่งที่ปรารถนาตรงนี้ก็จะเป็นดวงเงี้ยดวงวิญญาณ ที่หิวโหวยทุกข์ด้วยความหิวโหวยเพราะว่าความโลภความอยากนี้ได้มาเท่าไหร่มันไม่อิ่มไม่พอยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งหิวได้คือก็อยากจะได้สอกได้ศอกก็อยากจะได้วาแล้วถ้าไปทําไปโลภด้วยความด้วยการกระทําบาปด้วยความโลภมันก็จะทําให้เป็นดวงวิญญาณดวงจิตใจที่มีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความทุกข์ กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอและเวลาเป็นดวงวิญญาณก็ไม่มีอาหารมาเลี้ยงกายทิพย์อาหารที่จะหรอเลี้ยงกายทิพย์ให้กายทิพย์นี้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขอิ่มน้ําสําราญใจก็คือบุญกุศลต่างๆนี้พวกที่ทํำบาปด้วยความโลภนี้มกักจะไม่ชอบทําบุญเพราะเห็นว่าเป็นการขาดทุนผลโลภอยากได้เงินมากๆอยากได้อะไรมากๆนี้จะหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง จะไม่อยากจะแบ่งให้ใครจะไม่อยากจะเก็บไว้ให้กับตนเองใช้ใช้กับตนเองเพียงอย่างเดียวก็เลยทำให้ใจนี้ไม่มีบุญที่เป็นอาหารที่จะให้ความอิ่มน้ำสำลันจจสำรานใจกับตนพอตายไปดวงวิญญาณก็เลยเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยพวกนี้แหละที่เป็นพวกที่จะมารอรับส่วนบุญ ของผู้ที่ของมนุษย์ที่ทาบุญกันมนุษย์อย่างพวกเราที่เชื่อในเรื่องการเรื่องบุญเรื่องกุศลเราก็ชอบทาบุญกันมีวาระโอกาสอันใดเราก็ทำกันทำแล้วเราก็อุทิศบุญส่วนหนึ่งไปให้กับผู้ที่ร่วงับไปแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของเขานี่อยู่ในสภาพใดอยู่ในสภาพที่เป็นหิวโหยหรืออิ่ม ถ้าอิ่มก็ก็แล้วไปถ้าเขาไปเป็นเทพเนี่ยถ้าดวงวิญญาณเขาถูกมีบุญมากกว่าบาปบุญนี้ก็จะดึงให้เขาดวงวิญญาณเขาไปเป็นเทพไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขสนานสำราญใจอิ่มน้ำสำราญใจไม่หิวโหยไม่อยากกับอะไรออก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกที่จะมาเรารับส่วนบุญก็มีพวกนี้พวกเดียวแล้วก็พวกเปรตพวกที่ขาดบุญไม่มีไม่ได้ทำบุญไว้มาให้หล่อเลี้ยงกัดจิตใจก็ลเลยต้องมาขอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องเรือเยักเพื่อนสนิทนิสหายว่าเวลาเขาทำบุญก็ช่วยแบ่งบุญไปให้กับเขาด้วยอย่ามี มีด ว, วิญญาณชนิดเดียวเท่านั้นที่จะมารอรับส่วนบุญก็คือดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เราเรียกว่าเปรตสถานภาพของดวงวิญญาณนี้ก็คือขอทานทางจิตตวิญญาณนั่นเองเพราะว่าไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลต่างๆที่เราทํากันเอาไว้นี่เป็นทรัพย์ภายในถ้าเราทําบุญมากเราจะมีทรัพย์ติดตัวไปมาก เราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญ <Yeah. S 1> ไปเป็นเทวดา <Yeah. S 1> ชั้นต่างๆเทวดาท่านก็มีแบ่งไว้ถึงหชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญที่เราทำ <c oughs> น, นี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> จะเกิดขึ้นกับพวกเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ตราบใดที่เรายังไม่ได้มา <c oughs> มามายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราหรือดวงวิญญาณนี้มันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่แต่ก่อนที่จะได้กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมี <c oughs> การไปใช้บาปใช้บุญก่อนถ้าบุญมากกว่าบาปเราก็ไปรับผลบุญ กลายเป็นเทวดาอยู่จนกว่าผลบุญนั้นหมดกำลังลงเราค่อยกลับมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ <c oughs> มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเป็นถ้าบาปมากกว่าบุญเราก็จะไปเกิดในอบาย <c oughs> นอกจากเป็นเปรยแล้วก็เป็นสสุลกายอันนี้ดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่หวาดกลัว เรียกว่าสูลกายทำบาปด้วยความหวาดกลัวเวลาเราเป็นมนุษย์เราเห็นอะไรที่เรากลัวเราก็ไปทำทำร้ายเขาอันนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความกลัวก็จะทาให้เรามีดวงวิญญาณของเรานี่เวลาตายไปมีแต่ความหวาดกลัวพุ่มุ <c oughs> มห่อจิตใจทำให้จิตใจเรานี้ทุกข์กับความกลัวต่าง แล้วดวงวิญญาณอีกชนิดหนึ่งก็คือดวงวิญญาณที่เรียกว่นนานรกตรงนี้เกิดจากการทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมความอาฆาตพยาบาทความต้องการล้างแค้นผู้ที่กระทําร้ายกับเราใครทําร้ายเราแล้ ว, ลวเราก็อยากจะล้างแค้นอยากจะทําร้ายเขาถ้าทําบาปด้วยความเกลียดชังนี้ ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความเกลียดชังด้วยความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณแบบนี้เรียกว่านรกที่เป็นที่ไปของผู้ที่ทําบาปด้วยความเกลียดชังด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความกลัวด้วยความโลภส่วนดวงวิญญาณที่ทําบาปด้วยความจําเป็นเพราะว่าจะต้องเลี้ยงชีพ ทำบาปด้วยการเลี้ยงชีพนี่ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าเป็นการเลี้ยงชีพเพราะไม่รู้จักวิธีหาทำมาหากินแบบอื่นก็เลยใช้วิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้ก็จะไปอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้เขาอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขานั่นเอง <c oughs> ต่วเป็นการเลี้ยงชีพนะนี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราทุกคนที่จะไปต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากที่จะที่จะกลับมาเกิดมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่แต่ระหว่างทางที่เราจะไปได้ร่างกายอันใหม่นี้เราก็จะต้องไป รับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันเอาไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราอยากจะรู้ว่าโลกทิพย์ที่เราจะไปอยู่กันนี้เป็นอย่างไรโลกทิพย์ก็คือโลกแห่งความฝันดีๆนี่เองเช่ mm hmm. นตอนกลางคืนเวลาที่เรานอนหลับนี่ดวงวิญญาณของเราระงับการใช้ร่างกายชั่วคราว พราะร่างกายพักผ่อนตาหูจมูก น, นิ้นกกยนี้ไม่ไม่ตอบสนองความอยากของใจใจก็เลยต้องอาศยัยบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้เป็นผู้มาตอบสนองความอยากของใจด้วยการปรากฏเป็นความฝันชนิดต่างๆเช่นถ้าเราฝันดีนี่ก็แสดงว่าบุญเป็นผู้มา สร้างความฝันเหล่านี้ให้กับเราได้เสพได้สัมผัสในขณะที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ <Yeah. S 1> บุญก็ถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาปเราก็มักจะฝันดีกัน <Yeah. S 1> ถ้าเราฝันร้ายนี่ก็แสดงว่าบาปเป็นผู้ที่มาสร้างสร้างเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสกัน <Yeah. S 1> ในขณะที่เราฝันนี่เราจะไม่รู้ว่าเราฝัน เราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเวลาเรามีความสุขกับความฝันดีล้วก็คิดว่าเรากาลังกำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆไม่ได้เป็นความฝันเลยเวลาที่เราฝันร้ายอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆเราก็ไม่เราก็คิดว่าเราอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่ดีจริงๆ replies, เราจะมาลูก็ช่วงตอนที่เราเตื่นขึ้นมา พอเราตื่นใึ้มาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี่เราฝันไม่ดีหรือเราฝันดีนี่แหละคือสภาพของจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจิตใจก็จะถูกอนานาจของบุญหรือบาปเป็นเครื่องมือสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์มาให้กับใจได้เสพได้สัมผัสจนกว่าบุญหรือบาปนั้นมันหมดกาลังลงใจก็จะได้มารอรับร่างกายอันใหม่ พอมาเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่ในจากการที่มีร่างกายร่างกายความทุกข์ของร่างกายก็มีสารพัด ส, สารเพการดำรงชีพยอยู่นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งต้องหายใจตลอดเวลาต้องมีการเอาธาตุสีดินน้ำลมไฟเติมธาตุอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมดมเติมน้ำเติมดินเติมอาหาร ให้กับร่างกายเป็นภาระที่จะต้องทำกันทุกคนเป็นความทุกอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็ต้องมาคอยรักษาป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกภัยต่างๆมามาทำลาย <Okay. S 2> ภัยทางธรรมชาติก็มี <Okay. S 2> ภัยทางเชื้อโรคต่างๆก็มี <Okay. S 2> ภัยทางมนุษย์และสัตว์ที่ <c oughs> ที่โหดร้ายทารุณก็มี มีล้นแต่มีภัยมีทุกข์ต่างๆที่จะต้องมาคอยประจุอยู่เรื่อยๆความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายนี้มันก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องดินหาใหม่ดิ้นลนหาใหม่ <Yes. S 1> ชีวิตจริงๆแล้วของการมาเกิดนี้มันมันมั น, ม, นมันทุกข์มากกว่าสุขแต่เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกัน mm. ในเมื่อเรา สุขสภาพของ <c oughs> ตันหาความอยากของเราเป็นตัวผลักดันมาให้เราเกิดและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าเราเป็นอะไรกันเวลาเรามาเกิดเราก็มักจะหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพราะตัวเราจริงๆนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายตัวเราก็คือตัวคิดตัวรู้นี่ผู้คิดผู้รู้หรือธรรมชาติที่รู้ที่คิดนี่ เป็นผู้ที่ <c oughs> มาครอบครองร่างกายแล้วก็เลยมามาถือร่างกายว่าเป็นตัวของตนเอง <c oughs> ก็เลยไปรักไปหวงไปห่วงร่างกายของตนเอง <c oughs> อีกเวลามีภัยอะไรมากระทบกับร่างกายของตนก็เกิดความทุกเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นี่คือปัญหาของพวกเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไร และเราเป็นใครเราก็ไม่รู้เราก็มักจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแล้วถ้าเราไม่มีาศาสนาหรือไม่มีนักปราชญ์มาสอนมาบอกเราว่าความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความสามารถที่จะมาครอบครองร่างกายอันนี้ได้เราสามารถสั่งให้ร่างกาย น, นี้ทําอะไรต่างๆตามความอยากของเราได้ เราจะไม่รู้กันเราจะคิดว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนหนึ่งคนเดียวกันเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของบุญของบาปเพราะเราคิดว่าทำบาปมากน้อยเพียงไรทำบุญมากน้อยเพียงไรเวลาตายไปก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไป อาจจะรับผลบุญผลบาปได้ก็รับช่วงเฉพาะที่เวลามีชีวิตอยู่นี่ท่านเอง <c oughs> เวลามีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบุญทําความดีเราก็า จ, จะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมา <c oughs> และบางครั้งเราก็อาจจะได้รับรางวัลได้เกียรติยศต่างๆเป็นสิ่งตอบแทน <c oughs> หรือถ้าเราทําบาปเราก็อาจจะถูกจับไปลงโทษขังคุกขังตารางหรือถูกประหารชีวิต แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วผลบุญผลบาปต่างๆที่เราทาไว้มันก็ยุติลงสิ้นสุดลงตัวเราก็ตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นความเห็นของผู้ที่ไม่ได้พบกับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวโลกทั้งหลายก็จะเชื่อว่าใจกับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องทาบุญหรือทาบาปก็เลย ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ที่คิดแบบนี้ก็คือการตอบสนองความอยากความต้องการของของตนเองอยากจะได้อะไรก็ต้องหามาให้ได้ถ้าทำโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็จะไปทำโดยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะจะไม่มีความละอายไม่มีความกลัวในผลบาปที่จะตามมา คิดว่าบางทีทําบาปแล้วก็ทําผิดกฎหมายแล้วก็ยังสามารถหลบเลี่ยงได้เนื mm. ้อมีวิธีการต่างๆที่จะทําให้ไม่ถูกไปจับไปลงโทษได้ mm. mm. ก็เลยทําให้คนไม่ค่อยกลัวการกระทําบาปกันเท่าไหร่ mm. mm. เพราะความอยากได้สิ่งต่างๆมันมีมีอํานาจมากต่อจิตใจ mm. เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจจะไม่มีความสุข ใจจะมีความสุขก็ตอนเมื่อได้ทำตามสิ่งที่อยากได้ทาหรือได้สิ่งที่อยากได้มาเท่านั้นเองแต่พอได้มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่ความสุขที่ได้จากความอยากเก่ามันก็หายไปก็ต้องคอยทำตามความอยากอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะไปเจออุปสรรคเช่นไปเจอสภาพของร่างกายที่เริ่มเสื่อมลง เริ่มแก่เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มอะไรเริ่มเป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาตอนนั้นก็จะเจอแต่ความทุกข์ต่างๆและบางทีก็ไม่รู้ว่าจะแก้ความทุกข์เหล่านี้ได้ยังไงก็คิดแก้ด้วยการฆ่าตัวตายก็มีพอคิดว่าร่างกายเมื่อมันไม่สามารถทำหน้าที่ของมันหาความสุขให้กับเราได้แล้วอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียว ก็ฆ่าตัวตายดีกวเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการอยู่แบบไม่มีความสุขอีกต่อไป <Yes. S 1> การฆ่าตัวตายก็เป็นบาปเหมือนกับการฆ่าผู้ <Yes. S 1> ก็ต้องไปรับผลบาปในในนรกต่อไปอโดยที่ไม่รู้สึกตัวใ <Yes. S 1> น, นเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่ได้รู้เลยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา <Yes. S 1> ไม่ได้มาพ บ, พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของพระอริยสงสารโลกทั้งหลายที่มีดวงตาเห็นธรรมคือมีมีตาในพวกเราทุกคนนี้มีตาสองตาตานอกคือตาทางร่างกายและตาในคือตาทางใจตาทางใจของพวกเราตอนนี้นูดบอดถูกปิดด้วยอวิชชาโมหะความหลงความไม่รู้ความจริง การที่จะเปิดตาในได้นี้ต้องเปิดด้วยการศึกษาจากผู้ผู้ที่มีตาในผู้ที่เปิดเปิตาในได้แล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของกายภายในศึกษาด้วยวิธีการปฏิบัติสมาธิการเข้าสมาธินี้เท่ากับการเป็นการปิดตาปิดตานอกแล้วเปิดตาใน สังเกตดูเวลานั่งสมาธิเราจะปิดตากันแล้วเราก็จะนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราปรากฏขึ้นมาใจที่ฟุ้งซ่านใจที่วุ่นวายก็เปลี่ยนเป็นใจที่สงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขขึ้นมาความคิดต่างๆที่เคยคิดเรื่องราวต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความว่างอยู่ในใจของเราแล้วก็เหลือแต่ผู้ที่รู้ความ ความว่างเหล่านี้รู้เหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะเริ่มเข้าใจว่าออใจนี้กับร่างกายของเรานี้มันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันแล้วถ้าศึกษามากๆเขาก็จะได้รู้ว่า <c oughs> การที่ใจของเรามามีร่างกายก็เพราะมีความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนีเ้เป็นตัวที่พาให้ใจต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆร่างกายตายไปแล้ว <c oughs> แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่มีอยู่ในใจนี้ก็ไม่ได้หายไปจากใจความอยากนี้ก็เป็นตัวที่จะผลักดันให้กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาและได้ไปปฏิบัติไปพิสูุนเราจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือใจของพวกเรานี่ใจของพวกเรานี้มีความ มีความสามารถอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือเป็นผู้รู้สามารถรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยตอนนี้ใครเป็นรู้เรื่องเสียงที่เราพูดอยู่นี้ใครเป็นผู้รู้ผู้รู้เสียงนี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับเสียงเข้ามาทางหูแล้วก็ส่งไปให้ใจด้วยการเชื่อมต่อของความสามารถของใจใจมีความสามารถที่จะส่งกระแส มารับรูปเสียงกลิ่นรสเข้าไปที่ใจได้จากร่างกายกระแสนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันขันใจนี้มีอยู่มีมีอยู่ความสามารถอยู่สี่สี่ความสามารถที่เราเรียกว่าขันนามาขันสี่นามาขันสี่ได้แก่วิญญาณที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสทางที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณนี้ก็จะรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาที่ใจ ให้ใจรู้ว่าตอนนี้มีรูปเสียงกิดลดเข้ามาแล้วอพอใจรู้ว่ามีรูปเสียงกิดลดเข้ามาใจก็มีความสามารถที่จะวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้เราเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้วิเคราะห์ว่ารูปเสียงกิดลดนี้เป็นรูปเสียงอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลดีหรือไม่ดีปล อ, อดภัยอันตรายหรือปลอดภัยอันนี้ใจจะเป็นผู้มีสัญญาผู้ทาหน้าที่วิเคราะห์ให้ เมื่อวิเราะห์เสร็จแล้วก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาถ้าถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นลดผดผลาบที่ดีก็เกิดสุขเวทนาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้า <c oughs> ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นลดผดผลาบที่ไม่ดีก็จะเกิดความทุกเวทนาขึ้นมาความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาอันนี้มันเกิดขึ้นในใจพอใจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีมันก็เกิด ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสามารถของใจอีกอันหนึ่งสามารถคิดปรุงแต่งว่าจะทำอย่างไรดีกับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสทุตภาพที่ดีใจก็จะสั่งว่ า, าให้ไปเอามาดีสว่าเอามาเก็บไว้เอามาเป็นสมบัติของเราเพราะมันให้ความสุขกับเรา ถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิธธ่นรสผดสภาพที่ไม่ดีมันให้ความทุกข์ไหมกับเราเราก็กําจัดมันเสียหรืออย่าไปเอามันมาห น, นี้มันไปดีกว่าอันนี้ก็คือความสามารถของใจใจนอกจากเป็นผู้รู้แล้วยังเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสมีความสามารถส่งกระแสะวิญญาณไปรับรู้รูปไปรับรูปเสียงกลิธธ่นรสผดสภาพมาจากร่างกายได้ แล้วก็สามารถวิเคราะห์รูปเสียงกิเรสที่เข้ามาว่าเป็นรูปเสียงกินรสแบบไหนดีไม่ดีสุขหรือไม่ดีไม่ดีดดอย่างไรพอเกิดพ อ, พอวิเคราะห์เสร็จก็จะเกิดเวทนาความรู้สึก ข, ขึ้นมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ข, ขึ้นแล้วก็พอเกิดสุขทุกข์ก็จะเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาถ้าสุขก็อยากจะได้มันมาถ้าทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปนี่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ตรงตรงที่ว่า ใจไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปรับหร้อมานี่มันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้บางทีเจอสิ่งที่ไม่ชอบอยากจะกำจัดมันก็กำจัดไม่ได้เช่น <Gener ous S 1> บางทีเราเจอคนที่เราไม่ชอบแต่ต้องอยู่กับเขานี่เราจะไปกำจัดเขาก็กำจัดเขาไม่ได้อยู่กับเขาล้วก็มีแต่ความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะความอยากของเรานี่เองอันนี้เป็นความทุกข์ใจที่ต่างจากความสุขความรู้สึก ไม่สบายใจต่างกันจากการที่เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ที่เราที่เราไม่ชอบนี่ยมันเป็นเวทนาส่วนพอเราสิ่งที่เราพอเราเกิดความอยากที่จะกําจัดสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเรากําจัดไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรียกเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัจสีทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้แหละเป็นตัวที่เราแก้กันไม่เป็นเราไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเรา ว่าจะแก้อย่างไรที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้สัมผัสรับรู้มีพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยที่รู้ว่าวิธีที่แก้ก็คืออย่าไปอยากทําใจเฉยๆไว้อาจอยู่กับมันไป ม, มันก็เป็นแค่รูปเสียงกลิ่นรสผลเถรพะทัานเอง<ม>ที่ใจเราไปตาให้มันว่ามันดีหรือไม่ดีถูกใจเราไม่ถูกใจเราทัานเองแต่เราก็สามารถอยู่กับมันได้ทั้งสิ่งที่ถูกใจและสิ่งที่ไม่ถูกใจ ให้ทาใจเฉยๆทาใจให้นิ่งทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวลกรู้กันและเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนจากพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์ก็คือวิธีกำจัดความทุกข์ของใจของเราที่เกิดจากความอยากกับสิ่งต่างๆเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากใจเราก็ทุกข์ขึ้นมา อันนี้เราแก้ได้ทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได้ฉะนันเราอยากไม่แก่พอเราเจอความแก่เราก็ทุกข์กันเราสามารถแก้ได้ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่เสียยอมรับความจริงว่าแก้ไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปก็เท่านั้นเองใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราก็ทุกข์กับมันทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ใช่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เราทุกข์ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนานี้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาทําให้ใจเราทุกข์ได้ถ้าใจเราไม่มีความอยากของมันที่ใจเราไปทุกขเพราะเราไปอยากให้มันไม่ให้มันหายไป <toughest> เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายไปเวลามันไม่หายมันก็จะสร้างความทุกขทรมานใจให้กับเรา แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราทําไม่ได้ทำให้มันหายไม่ได้หัดอยู่กับมันไปมันมาก็มันก็มันเรื่องของมันมันมาเราให้ไล่มันไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเราก็สามารถอยู่แบบไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจกับมันได้เช่นความตายก็แบบเดียวกันความตายเราก็ไม่อยากให้ร่างกายตายเราก็เลยเกิดความทุกข์กันขึ้นมาเวลารู้ว่าจะต้องตายแต่พอเรารู้ว่า เราสามารถที่จะตายแบบไม่ทุกได้ด้วยการเฉยๆทำใจเราให้เฉยๆมันจะตายก็ห้ามันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเรามีหน้าที่ทำใจให้เฉยๆเพียงอย่างเดียววิธีที่จะทำใจให้เราเฉยได้เราก็ต้องฝึกสติกันจเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดทำใจให้นิ่งถ้าหยุดความคิดได้ใจจะนิ่งใจนิ่งแล้วใจก็จะเฉยใจเฉยแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใจเราทุกข์เพราะใจเราไม่นิ่งใจเราอยากอยากให้ความแก่หายไปอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปอยากให้ความตายหายไปพอเราไม่สามารถทําตามความอยากของเราได้ใจเราก็เลยทุกข์กันเท่านั้นเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าและพระอาหารตรัสรู้ทั้งหลายมีความสามารถที่จะทําได้คือท่านสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการ ด้วยการใช้สติคอยควบคุมความคิดทำให้ให้ให้จิตหยุดคิดให้นิ่งให้อยู่ในสมาธิเวลาใช้สติจนกระทั่งใจหยุดคิดใจนิ่งใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาพอใจมีสมาธิใจก็จะมีความสามารถที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็ฝืนได้และสาเหตุที่จะต้องฝืนกับความอยากก็เพราะปัญญาบอกว่า ถ้าเราอยากแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายเราห้ามความแก่ไม่ได้หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หยุดความตายไม่ได้แต่เราหยุดความทุกข์ทางใจได้เราหยุดความทุกข์ทางใจด้วยการหยุดความอยากของเราได้วิธีจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆทาใจให้นิ่งให้สงบ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้ได้มีคนแรกที่รู้ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสรล้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆสถานการณ์ที่เรามาเกิดกันก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายเพเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ แต่ความสุขต่างๆที่เราหาในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลามันเสื่อมมันหมดไปอ น, นี่เห็นด้วยปัญญาเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ไม่ใช่โลกของความสุขหยุดหยุดมาเกิดดีกว่าอย่ามาเกิดถึงแม้ความสุขจะได้มันก็มีอยู่แต่มันไม่คุ้มกับความทุกข์ก็ต้องต้องเผชิญและจะต้องเผชิญอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเอง เพราะความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ตายไปเดี๋ยวพบหน้าเราก็กลับมาเกิดใหม่มาเจอกับมาเจอกับความทุกข์แบบเดิมอีกเดวเรามาเกิดในโลกนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งนะและ้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคาสอนของพระนันทสาวกนีู่้ที่จะสอนให้เรามาหยุดความอยากกันด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิ และสนับสนุนด้วยการรักษาศีลทำบุญทำทานถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกได้วันใดวันหนึ่งในภพนี้ชาตินี้เราก็อาจจะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วใจของเราก็จะกลายเป็นสาวกขึ้นมาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้ก็เกิดจากการที่เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่มีความสามารถในตัวของเราเองที่จะค้นพบความจริงอันนี้ได้เลยยกเว้นว่าถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถานี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ที่สามารถค้นพบความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นพระอานนทานสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจะรู้ความจริงได้ด้วยตนเองเป็นเป็นเพียงผู้เดียวท่านนั่นเอง เหล่านั้นจะต้องรอคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนอีกทีมาบอกอีกทีถึงจะรู้ได้พวเราพบนี้ชาตินี้ถือว่าโชคดีได้มาเกิดได้มาเจอคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรที่จ ะ, ะเข้าหาเราควรที่จะศรัทธาเชื่อคําสั่งคําสอนเหล่านี้พยายามศึกษาให้มากขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นแล้วจะทําให้เราเกิดมีศรัทธามีความเชื่อมีความยินดี ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับข้อธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีความยินดีเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราจะไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามการเกิดของเราทั้งๆ ท, ที่ได้มาเจอของที่วิเศษก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาไปคิดกันและพิจารณากันต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวะหาปุราปิลิปุเรนตีสาคลังเอวเมวะอิตุจินังเปตานังอุ ป, ปการปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังยิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพโรโววินสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะ อพิวาทานสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษสงข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติ408ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์367 YouTube ดร V 61 Clubhouse 4วิทยูออนไลน์7นาคุต151รวมทั้งหมด998ท่านคะ่ะ S <S สวัสดีครับืมบางครั้งเราวันพระาจันดิกกําลังคุยเก ก, กับหลวงธามาหาบัวเขาวจะพูดว่าหลวงธามาหาบัวจะพูดทุงแม่ ส, ส, ม, สมองแก่แล้วยังสา ม, มารถเห็นสัจธรรมสีได้เข่าใช่ไหมครับพูดใหม่เลยชานะ้าๆเนี่ยพูดใหม่เลยจริงๆทุ่งแม่โขนเป็นแก่ และสมองไม่ดียังสามารถเห็นสัจธรรมสีได้หลวงธามหาบัรจะพูดแบบนี้เขาใช่ไหมครับแปลภาษาอังกฤษได้ไหมว่า even when someone gets old and their mind starts to deteriorate and t they can still see the four noble truths yes because the four noble truths is not in the body it's in the mind So the mind sees things that appears in the mind. So when you get dukkha, you you stress when you stressful is in your mind, not in your body. And if you have mindfulness, you'll see that right now I'm stressful, and you start to investigate, and you'll find that the cause of your stress is because of your de your desire, your expectation, or your your want your you want something and When you feel that you cannot get what you want, you feel stressful. Okay, like you don't want to get sick, for instance. When you get sick, you feel stressful because you don't want to get sick. You see this in your mind, and then you you also know if you want if you want to get rid of the stress, you can do that by using uh, samadhi and wisdom. Samadhi is to stop your mind from craving, desiring. And uh, wisdom is to tell your mind t t to crave is to create stress. So you have to stop craving for things. This you see them automatically right away in your mind if you keep practicing mindfulness. Mm -hmm. Right now your mind goes outside. You see things. You see people. So you don't see what's going on in your mind. But when you start to develop mindfulness, you start pulling the mind back inside. When so you start to see the inner activity, the mental activity that you normally don't see, because you keep seeing the the external activity. So the external activity comes through the body. You need the body to see to hear things. <coughs> And sometimes the body faculty can can deteriorate. You will not be able to see things clearly. Your eyes blurry. Your your your your ears not picking up the sound. And your brain might not be functioning as as as good as when you were younger. So you might not, your body will uh, will not be able to course, to do things like it used to do before. But your mind is still different. Your mind doesn't deteriorate with the body. So you can always see the inner activities of the body of the mind if you use. Mindfulness to, to pull your mind away from the body. When you meditate, you're pulling your mind away from the body. Bring it inside. So when it comes inside, you start to see the four namma khandas: see s a n y a v i t a n a s a n k a r a and viññana, and you see how they work together. And you understand when when you have stress, you understand it's because of your cravings or your desire. But you see this all inside your mind. But first, you have to bring your mind back inside first. Right now, you keep looking at other thing outside, so you don't see the real cause of your problem, which is inside your mind. Okay. So you can, you no matter how old you are, you can still, you can still study the four noble truths, see the four noble truths. If you have the tool, and the tool is mindfulness and wisdom. คำถามจะพู้รับฟังน้ากูดค่ะเวลาเกิดจิตจะมาปฏิสนธิกับร่างกายในท้องแม่เมื่อไหร่คะหรือกำเนิดขึ้นพร้อมกันหรือสร้างร่างกายก่อนจิตจึงตามมาสุติคะ มันไม่เป็นประเด็นสําคัญอกเมื่อไหร่คอให้มันรู้ว่ามันต้องมารวมกัน่ะมันถึงจะมีการปฏิสนธิได้ก็แล้วกันเราไม่ได้มีเวลามานั่งเช็คดูว่าเวลาไหนมันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญตรงนั้นแต่มันแน่นอนก็คือการที่ร่างกายในท้องแม่จะเจริญเติบโตได้มันต้องมีจิตมีดวงวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคำถามที่สองค่ะ เวลาตายจิตจะออกจากร่างเมื่อไรคะคือเมื่อหมดลมหายใจใช่หรือไม่คะความจริงจิตไม่ได้อยู่ในร่างหรอกจิตมันเพียงแต่ตัดกระแสเชื่อมต่อนั่นคือวิญ ญ, ญาณที่มาเกาะตาหูจมูกดิ้นกายพอร่างกายไม่ส่งรูปเสียงจิตลดไปมันก็ไม่มีสัญญาณส่งไปให้ใจมันก็รู้ว่ามันขาดตอนกันแล้วส่วนใหญ่ความตายก็อยู่ที่การหยุดลมหายใจเนี่ยพอลมหายใจหยุดปั๊บอวัยวะต่ า, างๆก็หยุดทํา ง, งานทั้งหมด ตาหูจบูงนิ้วกายก็ไ ม, ไม่ไม่ทำงานแล้วใจก็เลยไม่มีผู้ที่ส่งไม่มีไ ม, ไม่ไม่สามารถรับรู้เรื่องผ่านทางร่างกายได้ใจก็แยกตัวไปคำถานจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะ พี่สาวอายุมากแล้วอายุประมาณเก้าสิบกว่าชอบเล่าว่าเห็นญาติที่ตายไปแล้วขอโอกาสเรียนถามว่ามีแนวทางอะไรบ้างที่จะให้พี่สาวยึดเหนี่ยวและให้ลูกๆและผู้ดูแลช่วยหาสิ่งยึดเหนี่ยวใจเพื่อให้เมื่อตายไปจะได้ไปสู่สุคติภูมิลูกสาวซื้อของใส่บาทให้จบจะได้บุญไหมคะมันต้องเกิดจากเจตนาของคนให้เอง เราต้องเป็นของของคนให้ให้คุณยายสั่งว่าหนูเอาเงินของคุณยายไปซื้ออาหารไปใส่บาตรให้ยายหน่อยนะอันนี้ยายได้บุญไม่ต้องจบ ก, ก็ได้ ừ, การจบเป็นแค่เป็นพิ ธ, ธีกรรมนะเป็นการสแสดงออกแต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่เจตนาละของว่าเป็นของของใครถ้าเราซื้อของมาเป็นเงินของเราแล้วไปให้ยายจบให้หลอยายใส่บาตรนะยายจะได้บุญยายไม่ได้บุญเ ไปใช้ไปใช้ยายส่บาทแทนเราสิขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะแล้วเรื่องที่จะหาให้คุณยายมีสิ่งยึดเหนี่ยวในใจหรือผู้ดูแลและลูกสาวจะหาทางช่วยคุณยายให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวได้ยังไงคะเรื่องขอจากคุณยายขอลองก่อนสิ ถ้าอยู่ดีๆไปหาเครื่องยึดเดี่ยวใจแกบางทีแกก็จะามายุ่งกับฉันทําไมอไม่ได้หรอกจะไปสอนคนใหญ่คนโตหรือใครก็ตามถ้าเขาไม่ต้องการเราจะไปยัดเยียดให้เขาไม่ได้หรอกเราต้องรอให้เขาตาวรบขึ้นมาก่อนว่า อ, าอยากจะหาเครื่องยึดเดี่ยวจิตใจได้เงินใจพุ่งสร้างทํายังไงดีอเอาหนังสือธรรมะมาอ่านเอาเอาเสียงธรรมะมาฟังอหรือมาสวดมนต์อะไรเงี้ยมันก็ แต่ถ้าอยู่มาถึงเป็นยายแล้วเขาจะมาหาเครื่องยืดเหนี่ยวก็อย่าไปหาให้เสียเวลาเนยันสายเกินไปแล้วมันต้องทาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนคนที่มาบวชเนี่ยเขาเสด็จใหญ่ให้บวชตอนอายุยี่สิบกันไม่ใช่เราจะเข้าโรงจะตายแล้วให้มาบวชกัน <c oughs> <c oughs> มันไม่ทันกาลนะคนอยู่ในไอซูเราจะไปรักษาอะไรได <c oughs> คำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะการทำบุญปิดทองลูกนิมิตหากเราไม่เอาแผ่นทองปิดลูกนิมิตรอบโบสถ์แต่ถวายเงินหยอดตู้ของวัดแทนเราจะได้บุญไหมคะได้บุญอยู่ที่การบริจาคทรัพย์สมบัติส่วนอย่างอื่นมันเป็นเพียงพิธีกรรมท่นั้นเอาเอาือนกับเอาเงินไปซื้อทองมาแปะมามาปิดลูกทองนิมิตทันเองเอาจริงล้วก็บริจาคเงินเพื่อไปสร้างโบสถ์มากกว่า คำถามจากทางเ c e b o o k ค่ะการที่ได้ร่วมบุญในการสร้างพระพุทธรูปหรือร่วมบุญในการเททองหล่อพระประธานในวัดต่างๆถือว่าเป็นการทำทานไหมคะก็เป็นการสลักเงินทองของเราไปไงเราทำบุญล้วก็ต้องมีเต้องเางินบริจาคใช่ไหมส่วนวันที่เราบริจาค ก, ก็จะไปทำอะไรกไมม็มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะ เวลานั่งสมาธิจิตจะไปจับตรงพองยุบเพราะเคยฝึกตรงนี้มาเจ้าค่ะแต่เราจะมีความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดคิดอะไรไม่รู้ต่างๆนานาเสียงเพลงที่เคยฟังมาบ้างเรื่องมโนบ้างแบบไม่มีต้นเรื่องอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่มัน แต่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยจิตไปคิดตามทุกครั้งที่มีความคิดเราก็ยังอยู่กับพองยุบแต่บางทีเผลอลอยไปคิดตามพอรู้ตัวก็กลับมาดูพองยุบต่อเหตุนี้จึงอยากใช้คําบริกรรมพุทโธกํากับใจไม่ให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านแต่ติดตรงที่จิตมันจับตรงพองยุบและเราจะต้องคา แล้วเราจะท่องคำบริกรรมพุทโธยังไงคะไม่ให้มันตีกันเพราะปกติพองยุบพองยุบจะสบายแต่พอต้องมาบริกรรมพุทโธกากับจะค่อนข้างอึดอัดค่ะก็เวลาที่ไม่ดูดพองยุบเราก็ใช้พุทโธแทนได้ตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ใช้พุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดได้แล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็หยุดพุทโธแล้วก็ดูพองยุบแทน ความคิดต่างๆมันก็จะน้อยลงไปมันน้อยเพราะเราใช้พุโทโธหยุดมันไว้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราควรจะฝึกสติคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนไม่ใช่มาทําเฉพาะตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธิเท่านั้นเองต้องทําตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วก็ลุกไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงพันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปพุโทโธไป แล้วพอมานั่งสมาธิก็หยุดพุโทโธแล้วก็ดูยุบหนอ่อพองหนอไปก็ได้แล้วความคิดมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่หยุดความคิดมาก่อนเลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนมันก็ความคิดมันก็จะกระดังเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วเราเราไม่อยากจะคิดไม่ได้คิดแต่มันเข้ามาเพราะกระแสมันแรงเราไม่หยุดกระแสไว้ก่อนเราต้องหยุดกระแสก่อนที่เราจะมานั่ ง, อองคอยตัดกระแสอยู่เรื่อยๆด้วยคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ คำถามจากทางเฟซบุกค่ะจะแก้อาการกังวลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพยังไงครับขอสมท า, านรักษาศีลห้าแล้วก็เกิดความกังวลหนักใจตลอดกลัวว่าจะผิดศีลจะทำยังไงให้สบายใจขึ้นครับกยยอมแล้วว่ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายมันไม่มีใครที่จะไปแม้แต่หมอเองก็ยังรักษาตัวเองไม่ได้ เป็นเวลามันจะตายมันก็ตายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปต้องยอมรับความจริงการรักษาก็เป็นเพียงแต่เป็นการประวิงเวลาไว้เท่านั้นเองให้มันอยู่ต่อไปได้สักพักหนึ่งแลาที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราไม่ใช่อยู่ที่รักษาเพื่อไม่ให้มันไม่ไม่ตายรักษาเพื่อให้มันอยู่ต่อไปสักพักหนึ่ง แต่ต้องยอมต้องพร้อมที่จะ ร, รับกับความตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาถ้ารักษาตอนนี้ไม่หายมันจะตายก็ให้มันตายไปนความกังวล ม, มันก็จะไม่มีคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนบวชแล้วถือศีลและปฏิบัติธรรมกับคนไม่ได้บวชพระแต่ตั้งใจถือศีลและปฏิบัติธรรมบุญ อังใจถือศีลและปฏิบัติธรรมเท่ากันบุญจะเท่ากันไหมครับมันอยู่ที่การปฏิบัติเหมือนกับกินข้าวใจใส่เสื้อเสื้อเหลืองกินข้าวใส่เสือสเสอสเส้อขาวกินข้าวมันก็ไม่ได้อยู่ที่เสื้อที่เราใส่ใมมันอยู่ที่การกินของเรากินมากกินน้อยถ้ากินเท่ากันมันก็อิ่มเท่ากันดันไม่ได้อยู่ที่การบวชหรือไม่บวชการบวชนี่มันเพียงแต่เป็นการ อ่าแสดงเกจจํานงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นนักบวชเราจะรักษาศีลเราจะปฏิบัติธรรมนะแต่บวชแล้วไม่ทําตามที่เรามีแสดงเกจจํานงไว้มันก็ไม่ได้ผลอะไรมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่การปฏิบัติยังไม่มีคำำําถามค่ะหมดแล้วใช่ไหมเอาหมดแล้วท่านนี้ก่อนก็แล้วกันขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ